เพราะความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านปุกังทั้งหลายแต่รงพระโพธยญาณกำลังนำเสนอเรื่องปฏิหารที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเพื่อทรมานท่านปุรุวิลากระสปะและบริวารก็มาถึงปฏิหารคือเรื่องการผ่าฟืนก็สมัยนั้นชะดินเหล่านั้นปรารถนาจะบำเริกไฟ แต่ม่อาจจะผ่าฟื้นได้จงชาดินเหล่านั้นได้มีความดำลำบิต้องกันว่าข้อที่พวกเราไม่อาจผ่าฟื้นได้นั้นคงเป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณะไม่ต้องสงสัยเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้จัดกะวกุลุเวลากัสปะว่าโลกอนกัสปะพวกชาดินจงผ่าฟื้นเถอะเพียงรับสั่งอย่างนั้นผู้ชาดินก็สามารถผ่าฟื้นกันได้ เดินตั้งหลายได้ผ่าฟืนถึงห้าร้อยท่อนคราวเดียวเท่านั้นผือเดินห้าร0อคนนะแล้วก็ผ่ากันคนละท่อนแล้า ก, การผ่าเป็นครั้งเดียวเท่านั้นก็ผ่าฟืนได้โดยสะดวกรุวรยลักษาบะก็มาคิดว่าประมาสมณะมีฤทธิ์ ม, มากมีอนุภาพมากถึงกับให้พวกชดินผ่าฟืนได้ แต่ก็ไม่เป็นพระอ่านเหมือนเราขอคิดแบบเดิมนะครประการต่อไปก็คือโปรเจดินตาถนาจะบังเรือไฟแต่ไม่อาจจะก่อไฟให้ลูกติดได้ขอคิดเหมือนเดิมนะฮะคิดว่าคงเป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รับสั่งให้โปรเจดินสามารถที่จะจุดไฟได้พวกรถนั้นก็จุดไฟได้ เรือกับสปะ ก, ก็ชิดแบบเดิมือถือว่าสมณะเนี้ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงกับให้ติดไฟได้แต่คงไม่เป็นประหารเหมือนกระปวดท่านแล้วต่ตอมาเมื่อติดไปแล้วก็เกิดต้องการจะดับขึ้นมามนก็ดับไม่ได้คนนี้ก็ปรุงใจเชื่อว่าเกิดเพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้าที่สรงบันดาลให้เป็นเช่นนั้น พะเจ้าก็รับสั่งกับอุรุเวลากสปะให้สามารถดับไฟได้พรกนั้นก็ดับไฟได้ก็ดับไฟห้าห้าร้อยกองในเวลาครั้งเดียวกันนั่นเองก็สามารถจะดับได้อุรุลากสปะก็คิดเหมือนเดิมว่ามหาสมณะเนี่ยมีอนุภาพมากสามารถที่จะให้พวกเชดินตั้งห้าร้อยนี่ดับไฟในเวลาเดียวกันได้ แต่ก็ไม่เป็นประหารเหมือนเราแน่ก็ต่อไปก็เป็นปฏิหารของไฟปุจจินเหล่านั้นผากันดำลงบ้างปุดขึ้นบ้างทั้งดำตั้งปุดบ้างในแม่น้ำในรันชาราในราตรีนหนาวเหวน่ยมต ะ, ะดูระหว่างท้ายเดือนสามต้นเดือนสี่ในสมัยนั้นน้ำค้างตก การนั้นพระผู้มีประภาคได้ทรงนิรมิตกองไฟไว่ห้าร้อยกองสมาภัยช ด, ดินเหล่านั้นขึ้นจากนา้ําแล้วจะได้ผิงช ด, ดินเหล่านั้นได้มีความดําดิ่งต่อกันว่าต้องกันว่าข้อที่กองไฟเหล่านั้นถูกนิรมิตขึ้นไว้ต้องเป็นอิธานุภาพของพระมาสมณนะไม่ต้องสงสัยเลยกันแล้วชดินรู้เวลากรสปะก็ได้มีความดําดิ่งว่าพระมาสัมณะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมาก ถึงกับนีรมิดกองไฟไว้ได้มากมายถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นพรานเมือนเรามาถึงปาฏิหารเขียนปรน้ำทุ่มก็ในสมัยนั้นเมฆใหญ่ในสมัยที่มีชัยฤ ด, ดูกาอยังฝนให้ตกแล้วผู้น้ำใหญ่ได้ไหลนองไป ประเทศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นถูกน้ําท่วมขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงนําเรียว่าชไนนหนอเราพึงบรรดานในน้ําห่างออกไปโดยรอบแล้วก็จงกรมอยู่บนภาคพื้นนั้นมีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาตอนกลางกันแล้วก็ทรงบรรดานในน้ําห่างออกไปหมายความมาน้ําก็เป็นกําแพงล้อมรอบพระพุทธเจ้าอยู่ไม่สามารถจะไหลเข้าไปได้ในบริเวณรัศมีตรงนั้น พระองค์ก็เสร็จจงกลมอยู่บนภาค พ, พื้นที่มีฝุ่นฟุ้งตลบไปต่อมาชดินรู้เวลากตาตะปะกล่าวว่าพระมหาสมณะอย่าได้ถูกน้ำพัดไปเสียเลยดังนี้แล้วพร้อมด้วยชดินมากด้วยกันได้เรือไปสู่ประเทศที่พระผู้มีประภาคประทับอยู่แต่เห็นพระผู้มีประภาคสบุบรรลให้น้ำห่างออกไป โดยรอบแล้วสเสด็จจงกรมอยู่บนภาค พ, พื้นอันมีฝูมิฟุ้งขึ้นตอนกลางและวได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่มาสมณะท่านยังอยู่ที่นี้ดอกหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละกัสปะเรายังอยู่ที่นี่อันนี้แล้วสเสด็จขึ้นสู่เวหารปรากฏอยู่ที่เรื อ, อ, อจึงช ด, ดินุเวลากัสปะได้มีความนับริว่า พระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับบรรดาลไม่ให้น้ำไหลไปได้แต่ก็ไม่เป็นผรานเหมือนเรานี่ก็เป็นความคิดถึงซ้ำซากตลอดเลยจะเห็นว่าแม้จะเห็นมีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างไรก็ตามในที่สุดท่านก็มาสรุปรวมอย่างนั้นสรุปรวมว่าไม่เป็นผรานเหมือนท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ ทำอะไรให้ดูมาเยอะแล้วนะฮรแต่ว่าท่านรู้เวลากัจปะท่านก็ไปลงตรงนั้นทุกทีแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราทุกทีเหมือนเราแน่ด้วยนะฮรก็ทรงดำนิว่าโมฆบุรุษนี้ได้มีความคิดอย่างนี้มานานแล้วว่าประมาทสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแพ้แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราถ้ากระไรเราเพิ่งให้จดินนี้สลดใจแล้ว จึงสัตย์กับอุรุเบรักาตาปะว่าลุกคนกัสปะท่านไม่ใช่พระอาหารหันตั้งอย่างไม่พบทางแห่งความเป็นพระหรันแม้ปฏิปทาของท่านที่เป็นเหตุให้เป็นพระอาหารหันหรือพบทางแห่งความเป็นพระหันก็ไม่มีประเด็นตรงนี้มีความสําคัญนะคือความเป็นพระอาหารหันเนี่ย มันเป็นกระบวนการต่อเนื่องของการปฏิบัติไปตามหลักอริมัชเปยงแปประการความเป็นประหันก็คือการได้บรรลุนิโรธสัตว์ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามหลักของอริมัชเปียงแปประการและโดยการปฏิบัติตามหลักอริมัชเปียแปประการนั้นก็ทําให้สมุทัยมันดับสมุทัยมันดับทุกกรดับก็สแสดงว่าเมื่อกิเลตดับทุกกรดับ พระไทยของพระองค์ก็ยังเหลือเฉพาะนิโรธกับมักมักนั่นเป็นเหตุนิโรธเป็นผลแต่เป็นผลที่ทาวรลู่ภายในพระไทยของพระองค์ตลอดถึงพระหานทั้งหลายก็มีลักษณะยอย่างนั้นแต่ว่าท่านรู้เวลากัตะป่นั้นไม่เป็นพระรหานด้วยยังไม่พบทางแห่งความเป็นพระหานด้วยแม้สติปทาคืออาริมากือการปฏิบัติของท่านในขณะนั้น การบูชาไฟการผ่าพืนการขนทรายการผิงไฟการย่างกิเลสตามความเชื่อถือของท่านเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะให้ท่านเป็นประหารขึ้นมาได้ท่านก็ยังไม่ได้พบทางของความเป็นประหัรอุ้ยเวลากระสะปะนั้นใจก็แข็งแรงนั่นเอง แต่ว่าที่จริงแล้วนี่มันเจออิทธิปาฏิหาริย์ที่อัศจรรย์ที่ตัวเองทําไม่ได้เลยทั้งๆที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระหันเนี่ยมันคงยอมสยบมานานแล้วเพียงแต่ว่าจะแสดงอะไรออกมาก็มันเสียเชิงคณะอาจารย์เจ้าลทัทธิมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่เยอะปอพระพุทธเจ้าย้าเตือนเข้ามาอย่างนี้ไอ มาหน้าความถือตัวพวกพยศต่างๆมันก็ลดลงไปก็อู้เวลากาสศปะได้ซบเสียนลงที่ประบาทของพระผู้มีพระภาคและทูลขอบรประชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคว่าขอข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรประชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้า พระผูกมีประภาคตรัสว่าดูก่อนกัสปะท่านเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลศิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชาดินถึงห้าร้อยคนท่านจงบอกกล่าวพวกเหล่านั้นก่อนพวกนั้นจะทําตามที่เข้าใจลําดับนั้นท่านอุรุเวลากัสปะก็ก็ไปหาพวกชาดินที่เป็นบริวารแล้วก็แจ้งความประสงค์โดอชาดินเหล่านั้นว่า เราปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณะท่านทั้งหลายก็จงทําตามที่เข้าใจคือให้เป็นอิสระเสรีที่จะสมัครใจประพฤติปฏิบัติยังไงก็ได้ผู้เจริญหล่านั้นคิดมานานแล้วปรารถนาไฝ่ายผันมานานแล้วมองเห็นการไม่มีสาระไม่มีแก่นสารในลัทธิของตัวเองมานานแล้ว แต่ที่ไม่กล้าพูดก็คือเกรงใจอาจารย์อาจารย์ไม่กล้าพูดก็เพราะอายลูกศิษย์อันนี้เคยรเราเจนว่าเป็นการเกรงใจในเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจไปเรื่องละอายในเรื่องที่ไม่ควรอายมันก็เสียเวลาให้เนืด น, นานไปโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาและเป็นการทํางานที่เรียกว่าเหนื่อยมากนะคือต่พูดถึงคิดว่าเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมาก คือไม่เคยไปเทศปลวกใครที่ต้องใช้เวลายืดเยื้อยาวนานขณะ น, นี้ก็คงเป็นเดือนนะนะคงอยู่กันเป็นเดือนแต่ไม่น่าจะเป็นเดือนสามหรอกน่าจะเป็นเดือนยี่เพราะว่าถ้าเป็นเดือนสามมึงก็มีปัญหาที่ตอนไปกลุ่มราชครึกไปโปรวกพวกภาษารีบุตรภาสารีบุต ร, รบำเพ็ญเพียรบรรลุต่อจากนั้นสิห้าวันนะฮะจึงเกิดมาฆ่าบูชาขึ้นมาเนี่ย คือเรานับวันเวลาดูแล้วเนี่ยเข้าใจว่าคงเป็นเดนไอหรือเดยนยี่ต้นๆ น, นนะเพราะว่าถ้าเรานับดูแล้วก็จานับวันที่ประสัดีบุตรท่านบรรลุมรคผลเป็นประหารก็ตรงวันเพ็ญมาขามาศพอดีก็แสดงว่าประสัดีบุตรออกบวช ในวันขึ้นค่ำ ห, หนึ่งเดือนสามถึค่ำหนึ่งเดือนสามบำเพ็ญเพียรอยู่สิบห้าวันก็ถึงสิบห้าค่ำเดือนสามพุทเจ้าประสงค์แสดงอว่าตปฏิโมกกรณีการเหล่านี้มันก็น่าจะเป็นเดือนยี่ตอน ต, อนตอน้นๆ้นเดือนอ้ายตอนปลายหรือเดือนยี่ตอนต้นต้นเนี่ยอากาศมันก็หนาวแล้วนะฮะคือในชมพูทวีดในช่วงปัจจุบันเราจะเห็นว่าช่วงตรงนี้อากาศยังหนาวอยู่ เพราะนั้นเมื่อท่านอรูเวลากระสปะได้บอกกล่าวให้ปุจจเดินเหล่านั้นทราบว่าจงทําตามที่เข้าใจปุจจชดินเหล่านั้นก็กล่าวเปลียนว่าพวกข้าพเจ้าเลื่อมใส่ ย, ยิ่งในพระมหาสมณะมานานแล้วขอรับถ้าท่านอาจารย์จากประพฤติภูมิจารย์ในพระมหาสมณะพวกข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะประพฤติภูมจารย์ในพระมหาสมณะเหมือนกัน ตมาคดินเหล่านั้นได้ลอยผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาเพลิงในน้ํำและพาการเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคสบเสียลงแท้ประบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ทูลขอบรรพชาผสมบทต่อพระผู้มีพระภาคว่าขอพวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้ผสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจ้าก็จัก ว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมเรากราวดีแล้วจงประพฤติประมาจันเพื่อทำพิสุจ์แก่งถูกโดยชอบเอถิดพระวัาจากนั้นก็กลายเป็นอุปสมบทเป็นการบรรพชาอุปสมบทแก่ท่านปุราณะชดินทั้งหนะ้าร้อยนะฮะชดินมัทีกัสตะได้เห็นผมชาดาเครื่องบริขารเครื่องบูชาเพลิงลอยน้ามา กัแล้วได้มีความตั้งมีว่าอุปสรรคอย่าได้มีแก่พี่ชายเราเลยทรงชะดินไปด้วยคําสั่งว่าพวกเธอจงไปจงรู้พี่ชายของเราดังนี้แล้วทั้งตนเองกับชะดินสามร้อยได้เข้าไปหาทนุรุปรากัสะปะและเรียนถามว่าข้าแต่พี่กัสปะรุมจันนี้ประเสริฐแน่หรือทนอรุปราคาสะปะก็ตอบว่าแน่และเทภุมจันนี้ประเสริฐ หลังจากนั้นชจดินเหล่านั้นก็ถลอยผมเจดาเครื่องบริหารบูชาเพลิงในน้ำแล้วก็เป็นภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าข อ, ขอกราบทูลบรรบชาขอให้พระองค์ประทานการบัชจาการอุปสมบทอีกเช่นเดิมคุะเจ้าก็รักสั่งว่าผู้เถิดจงเป็นภิกษุมาเถิดทามรกล่าวนีแล้วจงประพฤติประมาจาันเพื่อทำที่สุดแก่ทุกโดยชอบเถิดบวชจกนั้นก็กลายเป็นอุปสมบท ก็ตกลงว่าเข้ามาบวชเนี่ยแปดร้อยแล้วนะฮะทีนี้ช่้นดินขยะกัะสปะซึ่งเป็นน้องกุล็กเนี่ยอยู่ทางล่างไปคืออยู่ทางขยาศีษะก็เรียกว่าแม่น้ำขยาที่จริงก็เป็นแม่น้ำนิรันดรานรั่นแหละก็ไหลลงไปก็แต่เป็นแม่น้ำคนละสายกันน้ำมันจะไหลไปได้งไงก็ไหลต่อลงไปข้างล่างท่านขยากรสปะ ก็ได้เห็นบริการเหล่านั้นแล้วเข้าใจว่าจะมีภัยเมียรอันตรายแต่พี่ชายก็พร้อมด้วยบริวารทั้งสองร้อยก็มานะมาเมื่อศึกษาสอบถามทราบความเป็นจริงแล้วก็เกิดสถานเลื่อมใสก็ลอยบริการอีกลอยบริการทั้งหมดอีกแล้วขอบวชในสำนักของพระพุทธเจ้า พะเจ้าประสมประทานพุทธโอวาสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทาโรกล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแต่งทุกโดยชอบเถิดเช่นเดียวกับที่กล่าวตั้งแต่คือหมายความว่าถ้าพวกบวชเป็นสามัญชนนะฮะเป็นเป็นพระโสดบันเป็นต้นเนี่ยก็จะทรงแสดงเต็มที่อย่างนั้น แต่ถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์อย่างพยาสะเนี่ยพยาสะไม่ได้แสดงอย่างนี้พยาสะแสดงแต่ว่าเธอจงเป็นพิษุมาเถิดทำอโรกราวดีแล้วจงมาฝึกพรหมจันทร์ไม่บอกว่าเพื่อทํำพิสูุแต่งทุกข์โดยชอบเถิดที่จริงพรหมจันทรย์ท่านก็ปฏิบัติแล้วโดยอัตโนมัติแต่ท่านเหล่านี้ยังยังไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยนะฮะยังไม่ได้พูดจาอะไรกันเลย ก็ยังไม่ได้เพศได้สอนอะไรกันเลยเพราะใช้อิทธิปาฏิหาริย์กันตลอดมาอยู่กันเป็นเดือนๆ น, นะฮะยังยังไม่ได้ถึงกับเทศนาสั่งสอนอะไรแต่ว่าก็เรียกว่าใช้อิทธิปาฏิหาริย์รุนรวนแล้วก็สามารถาพ้นภูณิตาภาษาธาตุไอ้เกิดขึ้นไปในจิตใจของท่านเหล่านั้นได้ก็รสรุปว่าผู้จะดินผ่าฟืนห้าร้อยท่อนไม่ได้ แล้วผ่าได้ก่อไฟไม่ติดแล้วก่อติดขึ้นมาได้ดับไฟไม่ดับแล้วก็ดับได้โดยการเพ่งอธิษฐานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงนรมิตกองไฟไว้ห้าร้อยกองปฏิหารรวมแล้วก็เป็นสามพันห้าร้อยนะฮะวิธีเป็นสามพันห้าร้อยวิธีซึ่งหมายความว่าก็แสดงเจ็ดครั้งนะะแสดงเจ็ดครั้งด้วยกัน ในส่วนนี้พวกเทวดามาเฝ้าอะไรต่ออะไรที่จริงก็ไม่ใช่ปาฏิหาริย์คือพระเจ้าไม่ได้แสดงอะไรแต่ว่าเทวดาก็มาเฝ้าท้าเจาาา้าตุมราชมาเฝ้าพระอินทร์มาเฝ้าพระพรหมมาเฝ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อะไรแต่ปาฏิหาริย์ก็คือที่ ท, ทรงธทมกับพวกชดินทั้งหลายเนี่ยเช่นผ่าฟืนห้าร้อยทอไม่ได้หนึ่งแล้วก็ให้ผ่าได้เนี่ยก็สองก่อไฟไม่ติด สามแล้วก็ไฟติดก็เป็นสี่ดับไฟไม่ได้ก็เป็น 5, ห้า้ดับได้ก็เป็นหกแล้วก็ อ, อ, อธิษฐานให้เกิดไฟขึ้นมาเป็นห้าร้อยกองก็รวมแล้วก็เป็นเจ็ดครั้งเจ็ดห้าก็สามห้าครั้งสามพันห้าร้อยครั้งด้วยกันก็เ ร, รียกว่านาปาฏิหารคือทรงสแสดงปาฏิหารโดยวิจิตพิสดารมาก แล้วก็แสดงมากจริงๆ ต, ตามปกติเราไม่ค่อยนามาพูดกันหรอกเพราะว่านั้นเป็นงานเป็นคุณสมบัติเฉพาะของพระพุทธเจา้าแต่อย่าลืมว่าเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่เคยบอกไว้ในวันก่อนโน้นว่าคือถ้าเรามองในแนวสงครามนะฮะมองในแนวสงครามมาทำสงครามการเผยแร่ศา ส, สนาของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเป็นธรรมศีนาปือกองทัพธรรม ที่จะยาาตาเข้าไปในดินแดนต่งตางๆเนี่ยพระเจ้าก็มีชัยภูมิที่เหนือกว่าคนอื่นคือทรงสมบูรณ์ด้วยศีลที่เป็นนริยะไม่มีใครจะทัดเทียมพระองค์ได้แล้วก็ยิงได้ไกลนะฮะยิงได้ไกลก็คือมองสังขารทั้งหลายเป็นไปตามกฎของปัจจัยลักแม้แต่ว่า ที่ปรากฏมันยังไม่แก่มากไม่เจ็บมากไม่ตายมากก็ตามแต่ว่ามองเห็นว่าสังขาทั้งหลายนั้นตกอยู่ในกฎของปัจจัยรักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเสมอเหมือนกันแต่ยิงได้ไวก็คือทําลายขุมกําลังแอดยิงได้ไวัยก็คือรู้อริยสัจสี่ได้เร็วแล้วก็ทําลายขุ้มประบังข้าศึกได้ก็คือทําลายวิชาได้นั่งในภาค ข, ของการต่อสู้กับกิเลสแต่ภาคการเผยแผ่าศาสนานั้น มันเป็นยุทธวิธีเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการเผยแพร่ศาสนาเพราะว่าพระเจ้านั้นประชนพรรษาอย่างน้อยแล้วก็ไม่เป็นที่รู้จักในกรุงราชคฤกนอกจากพระเจ้าพิมพิสารเพราะงั้นการจะเสด็จเข้าไปในกรุงราชครกเพื่อเพื้องปฏิญญาของพระเจ้าพิมพิสาร แล้วข้าไปโดยลําพังอย่างเงี้ยมันก็งานก็ไม่บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะยิ่งคือ ง, งานที่จะต้องโปรดพวกชะดินไปก่อนนะปดโปรดโปรดชะดินก่อนเนี่ยเนื่องจากบารมีของท่านเรานั้นแก่กล้าขึ้นแล้วผ่านชบาพาชะดินไปด้วยเนี่ยมันก็อีส่วนช่วยอย่างสำคัญให้เห็นว่า พระเจาเป็นศาสดาแม่ของพวกชนดินทั้งหลายเพราะว่าคนในยุคนั้นหรือว่ายุคไหนๆก็ตามไม่ว่ากันตามความจริงมันมีความกระด้างเลยมานะมีความถือตัวมีความยิ่งมีความอวดดีการจะยอมรับมาถือใครง่ายๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายเต่โดยเนื้อหาสาระจริจร ง, รงๆเนี่ยเป็นการแสดงธรรมไปตามลําดับวาสนาบา ร, รมีของบุคคลดอกนั้น คือเป็นที่ที่น่าทึ่งนะฮะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้บารมีของลูกศิษย์มาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะปรกษัตริย์ระดับมหาราชสามสี่พระองค์เป็นลูกศิษย์ประศักด์แบบสา ม, มัคคีทำหลายประเทศนะฮะสมัยนั้นก็หลายแคว้นน ะ, ะหลายแคว้นเนี่ยเป็นลูกศิษย์แต่พระเจ้าก็ไม่เคยยืมมือท่านเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ศาสนา ในการแยกออกไปยังเด็ดขาดระหว่างศาสนากับการเมืองคือไม่เกี่ยวกันเลยคือเรามองแล้วนี่เป็นจุดดีจุดจุดของความเป็นศาสนานั้นเป็นความสมบูรณ์พร้อมของความเป็นศาสนาแต่ถ้าเรามองถึงยุคสมัยแล้วเราก็เห็นชัดเจนเหมือนกันว่าความเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์เนี่ย พอมาอยู่กับโลกมาอยู่กระแสของสังคมเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาที่มีลักษณะค่อนข้างเปราะบางเราจึงถูกทําลายไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย เ, ยเราถูกทําลายจากอํานาจของาศาสนาอื่นจากอิทธิพลทางการเมืองจากลัทธิการเมืองต่างๆลัทธิการเมืองที่ทําลายพระพุทธศาสนาจํำบันาศาสนิข้ายไปเยอะแยะไปหมดเลยเ ก็คือลัที่คอมมิวนิสต์จึงเกิดขึ้นมาตรงนั้นก็เจ็ดสิบกว่าปีานะฮะก็ทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยถูกกลืนโดยลัทีิคอมมิวนิสต์กลืนไปถูกปกครองโดยลัที่คอมมิวนิสต์ก็จะเป็นหมดทุกคนนะคงไม่ใช่หรอกแต่ว่าไม่ได้แสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนออกมาโดยเฉพาะคนในประเทศจีนในปัจจุบันก็คงมีเยอะแต่เราก็ไม่มีตัวเลข บรเวณ น, นี้คนจีนกลับมาเป็นพุทธเท่าไร่แล้วก็ราะจะลือ ม, มาประชากรเขาตั้งพันกว่าล้านนะฮะันสองร้อยล้านกว่าแล้วมันงตะ ว, วันเนี่ยพันสามสทงสามร้อยล้านแล้วมันแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงนักตระพุทธศาสนามากเท่าไหร่ตอนาะแนวตรงนี้ถ้าหากว่าในปัจจุบัน อย่เช่นประเทศอินเดียเนี่ยสมมติว่าใครสามารถเข้าไปได้นะฮะไปเทศต์อินเดียนเนี่ยสบายมากเลยอินเดียนตื่นเต้นเรื่องอิทธิปฏิหารมากลแล้วเพราะแนวอิทธิปฏิหารเนี่ยมันไม่ใช่แนวที่ใช้ไม่ได้แต่ปัญหาว่าใช้เมื่อไรใช้กับใครใช้ในกรณีอะไรและใช้ไปอย่างไรมันเป็นการกำลาบ ความโวดดูความกระด้างความบ้าญาสอนญาของบุคคลดนั้นให้ลดมณฑิทิตรงไปไม่กระด้างมากเกินไปพวันนีตรงนี้เราเห็นชัดเจนนะท้าพระพุทธเจ้าไม่ใช้อิทธิปฏิหารแล้วเนี่ยยากนะฮคือกำหลับท่านรู้เวลากาจปะได้ยากเพราะทุกครั้งท่านจบลงด้วยคําว่าแต่คงไม่เป็นพระหันเหมือนเราแน่ อย่างนั้นทุกงทีท่านก็มีความต้อคัารแปว่าท่านเป็นประหานพระพุทธเจ้าไม่จะเป็นประหานคิดอย่างนี้มันสอนกันไม่ได้เราเทศกันไม่ได้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าปฏิหารทั้งสามประการของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงทรงใช้ท่าตลอดทั้งสามปฏิหารนั่นแหละแต่อุสาสนีปฏิหารมันมากกว่าเพื่อนคือความอจจรย์ของคาสอนมากกว่าเพื่อนเท่านั้นเองต้องฟังเท่าไหร ใตรพรธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี